บทที่หนึ่งขณะจิตต่อมานั่นเองสิ่งที่ทุกคนเห็นแงซ้ายปลดกระบอกลูกธนูซึ่งติดระเบิดและมีสายชนวนประจำพร้อมอยู่แล้วออกจากไหลโยนไปให้รับพินจนพานรับไปได้อย่างกระทันหันแล้วก็คันธนูอีกคันหนึ่งริมฝีปากงานได้รูปนั้นยิ้มน้อยๆเสียงห้าวกังวานบอกมาว่าปุกองครับเพื่อความปลอดภัย ผมพลาดพลั้งยังไงธนูและลูกธนูของเราก็ยังอยู่ผู้กองควรจะถือไว้ด้วยนะครับจอมพรานยิ้มแย่นแฉ่งเอากระบอกลูกธนูติดระเบิดสะพายไหลตัวเองไว้ส่วนคันธนูส่งไปให้คล้องไหล่เกิดฮึรอบคอบดีมากแต่ฉันก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสของแกแล้วที่จะไม่ต้องแบกบรรทุกอะไรให้หนักเลยอย่านึกนะว่าจะไม่รู้ทันเอาไป น, นั้นว่าขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ แกไม่ต้องมีภาระแบกหามอะไรอีกแล้วนอกจากตัวเปล่าเพราะฉะนั้นเดินหน้าได้จอมพเนจรดึงมีดในประจำตัวออกมาสบัดแล้วยื่นเข้าไปแตะกั ง, งวงแรกที่อยู่ใกล้เบื้องหน้าที่สุดเหมือนจะเป็นการหยังพริบตาเดียวไอ้งวงมฤตยูตะหวัดม้วนตูมเรากั ง, งวงช้างเข้าไปในโพงข้างทางเฉียดก้านคอเงยสายไปนิดเดียวอย่างหน้าสยดสยองและ ง, งวงข้างเคียงอื่นๆก็เริ่มไหวกระดิกร่อนราสายน้อยๆไปมา ประดุดตัวทักแงซทายขยับคืบหน้าเข้าไปอีกเก้าหนึ่งท่ามกลางการเฝ้าดูยังหายใจไม่ทั่วท้องเสียงแหบเครือของขยินดังเตือนอย่างแผ่วเบาด้วยความเป็นห่วงว่าระวังนะไอ้แงซทายเย่๋ยวว่าแต่มีดของเองเพียงเล่มเดียวเลยที่จะตัดมันออกไปตอนพวกเราทั้งหมดช่วยกันก็ฟันไม่ทันองค์รักพิเศษของดารินเอี่ยวคอมามองขยินเบื้องหลังพร้อมกับยิ้มให้นิดหนึ่ง เอื้อมมือลวงลงไปในย่ามหลังของตนเองสิ่งที่ดึงออกมาอย่างสงบในครั้งนี้ทุกคนเห็นชัดว่ามันคือใต้ดุนนึ่งยื่นปลายตรงไปที่นายหญิงผู้ข้ามายืนอยู่ใกล้ที่สุดด้วยความเป็นห่วงทำไมเหรอเงยสายราชาสกุลสาวมองอาการของเจ้าองครักษ์ที่ยื่นปลายใต้มาให้อย่างไม่เข้าใจจุดไฟให้นางเงยสายด้วยนายหญิงดารินกระพริบตางงงง ควักไลเตอร์ออกมาแล้วหันไปจ้องหน้าจอมพรานเห็นเขามองนิ่งด้วยประกายเครียดเคร่งอยู่ก่อนแล้วแต่ก็ไม่เอ่ยคำใดแก่หลอนทั้งสิ้นจึงตัดสินใจขีดไลเตอร์สว่างพรึบขึ้นลนต่อให้กับปลายใต้ของแง่ทรายชั่วเพิ่ตาเดียวประกายไฟก็ลุกติดใต้โชนขึ้นส่งความร้อนและควันขมงแง่ทรายสะบัดใต้ที่ติดไฟในมือแกวงวูบฉวัดฉวีนออกไปอย่างรวดเร็วในรศมีเบื้องหน้า ทันทีที่กระสากับไอความร้อนและม่านความจากใต้ติดไฟไองวงอุบาทของเถ้าเครือกินคนเหล่านั้นพากันหงิดงดหดกรู จ, จากการยื่นดักล้ำออกมานอกทางหดหายเข้าไปอย่างแช่มช้าราวกับถูกสะกดด้วยหมดอาการหดถอยของมันเป็นไปในลักษณะเศร้าสงบอย่างาพ่แพ้ระยอเกรงต่อไอไฟไม่ได้ม้วนตวัดตูนตามอย่างน่ากลัวอันเป็นปฏิกิริยาอันดุร้าย เหมือนเช่นที่มีสิ่งอื่นไปกระทบเข้าทุกคนจ้องตะลึงต่อภาพที่เห็นอย่างคาดฝันไปไม่ถึงนั้นแงีา ย, ายหัวรอกกระหึมอยู่ในลำคอเดินอย่างปราศจากอาการสะทกสะทานทรั่นพึงใดๆทั้งสิน้นแขวงใต้ในมืออันสว่างโรคขับไลเ่เถาวงของพันไม้ผีสิงเหล่านั้นหดลู่เข้าริมทางแวดเป็นช่องล้ำเข้าไปยืนเด่นอยู่กลางทางด่านแล้วหันหน้ากลับมา โบกมือเป็นสัญญาณเรียกให้ทุกคนตามเข้าไปทั้งหมดไว้ตัวจากก้าวตามหลังด้วยอารามดีใจแต่ระพินการแข็นกั้นไวต่างจึงมีโอกาสเห็นถึงเหตุผลในการส ก, กัดกั้นของเขาบัดนี้แงสายเดินนำล้ำเข้าไปประมาณยี่สิบก้าวเถามรณะที่หดลู่แหวกเป็นช่องไปเพราะถูกไอไฟแต่แรกก่อนที่จอมพเนจรจะผ่านบัดนี้เริ่มจะยื่นพโพลทอดออกมาอีกและปิดทางเดินนั้นไปเช่นเดิม คงหดนี้แต่เฉพาะบริเวณที่เงซ า, ายยืนถือใต้อยู่เท่านั้นเจ้าคนลึกลับยิ้มราฟันเขาาอยู่ในความสลัวเบื้องหน้าไม่เอ่ยคำใดทั้งสิน้นหากแต่ชูใต้อีกมัดหนึ่งซึ่งยังไม่ได้จุดไฟให้ระพินเห็นในมือแล้วโยนทิ้งไว้ให้กลางทางเดินจากนั้นก็หันกลับเดินรุดหน้าฝาวงมรุตยูที่แหวดเป็นช่องหายลับไปจากสายตาโดยไม่หยุดรอ ทามกลางเสียงตะโกนเรียกของตรุ่มพรานพื้นเมืองที่ไล่หลังมาแทะสนั่นให้เดินย้อนกลับมารับร่างนั้นไขหูมีอาการเหมือนจะไม่ได้ยินไอชิบห <Hi. S 2> ายไอแงซายทําไมมึงไม่กลับมารับพวกกูด้วยดูดูดเดินเฉยไปคนเดียวไอหาจวกมึงเสือกทิ้งใต้ไว้ให้กลางทางนั่นแล้วพวกกูจะฝากข้าได้ยังไงกลับมาก่อนอุ้ยแงซา ย, ายตาเท่าบุญคํา เหกปากสาบแช่งเสียงหลงเป็นเราชูกำปั้นรา้าดาโครพ่อโคดแม่ดึงไปครันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงัดเงียบลงตามเดิมคณะทั้งหมดยังยืนงันอยู่กับที่และนิ่งเงียบเบื้องหน้างวงมรณะสะกัดกั้นไว้ตามเดิมเงียายอันตรธานไปซะแล้วกลางพันไม้กินคนที่แวดล้อมอยู่รอบด้านนั้น ทิ้งให้คณะทั้งหมดเผชิญกับปัญหาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งรพินไครวันผู้ซึ่งเพิ่งจะมาตระหนักบัดนี้เองว่าถูกเจ้าแงซทรายแก้ลำอย่างเผ็ดร้อนเจ็บปวดที่สุดเดยอการกระทาที่ดูอย่างผาดผาดว่าสงบสงเง่ยมปราศจากความหมายใดๆทั้งสิน้นแต่เมื่อคิดแล้วก็แทบจะกระอักเลือดใต้เต็กไฟนั่นหมายถึงการบอกใบวิธีที่ทุกคนจะฝ่าดงนี้ออกไปได้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 เพื่อที่ตนอื่นจะได้เดินไปอย่างเบาตัวเป็นอิสระสาสมกับที่ถูกรพินหักเหลี่ยมบีบบังคับฟ้าให้รพินไทยวันมาเกิดแล้วยังให้แง่ทรายมาเกิดอีกหรือพวกลูกหาบเหล่านั้นไม่มีใครคิดอะไรมากไปกว่าเห็นว่าแง่ทรายรีบรุดเดินนำหน้าไปก่อนโดยไม่รอแต่ฝ่ายนายจ้างทุกคนที่ยืนอึง้งอยู่ในขณะนี้ สามารถจะเข้าใจความในแจมแจ้งโดยตลอดหมดระหว่างจอมพรานระพินกับจอมพเนจรแง่า ย, ายได้แต่ยืนมองตากันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกพรานใหญ่มองสุดตาคณะนายจ้างของเขาทุกคนเป็นลำดับและบุคคลสุดท้ายคือดารินวราริกเป็นยังไงครับคุณหญิงคราวนี้เห็นชัดแล้วหรือยังหล่อนฝืนยิ้มแล้วก็รับอย่างตรงไปตรงมา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 แปล ว, ว่ามันทิ้งเราทั้งหมดเอาตัวรอดไปตามลําพังเหรอจอมพรานหัวรอดแค็นแก่งอยู่ในลําคอก็เห็นจะไม่หนีไปไหนหรอกครับนอกจากจะบุกเดี่ยวออกไปรอคอยเราอยู่ข้างนอกเพื่อทิ้งปัญหาให้ผมและพวกเรารเผชิญกันตามลําพังผมไม่คิดหรอกว่ามันเจตนาจะทิ้งคณะนายจ้างหรือพวกเราทั้งหมดแต่มันตั้งใจจะแก้ผิดผมคนเดียวเสมากกว่านะน่นไงมันโยนใต้ทิ้งไว้ผมเสี่ยงไปเอาโน่น ถ้าเราจะฝ่าตามมันออกไปได้ก็แปลว่าผมหรือพวกเราคนใดคนหนึ่งต้องเสี่ยงต่อไอ้งวงอุบาทนี่บุกเข้าไปใต้ามาจุดไฟขึ้นถือเป็นการป้องกันตัวไว้ในมือมันแกล้งผมลำบากเล่นสิอย่างนั้นเละมีหนังซ้ำยังหลอกให้ผมแบกกระบอกสรแล้วก็เรียกสางตามมาแบกของแทนให้แกมันซะอีกอีแบบนี้ตามมาไปทันกันข้างนอกต้องกระคือไปสี่โครงเดาะทีเดียวใช้ยันคํารามออกมา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 ฉันจะรักหน่วยกา้านชั้นเชิงและฝีมือของไอ้เสือนั่นอย่างที่สุดแต่คุณอาจเห็นว่าเขาเป็นคู่ปรับก็ได้คุณต้องลำบากหน่อยในการที่จะเสี่ยงออกไปเอาใต้ที่เขาโยนทิ้งไว้ให้กลางดงงวงมรตยูนั่นแต่ฉันคิดว่าคงไม่เหลือบากกวแรงนักแลนะ้วนะระยะก็ไม่ห่างออกไปมากนะักพวกเราอาจใช้วิธีให้ลูกหารอคอยอยู่ที่นี่ก่อนและช่วยกันบุกฟันไอ้งวงผีเหล่านั้นเข้าไปจนถึงที่แงาซายทิ้งใต้ไว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 แต่เอเวนนนมันน่าจะบอกพวกเราแต่แรกแล้วนะถึงการก้าวเข้ามาในดงไม้อันตรายนี่และในนาทีสุดท้ายมันก็ควรจะบอกเราด้วยว่าวิธีที่จะฟ่าออกไปโดยปลอดภัยก็คือใช้เปลวไฟล่นแต่นี่มันกลับอมงเงียบไว้และแสดงให้เราเห็นเป็นตัวอย่างชนิดผุนผันไม่รอเราด้วยนำลิวเอาตัวรอดออกไปเพียงคนเดียวมิหนำซ้ำยังทิ้งใต้ไว้กลางดงไอ้งวงผีนั่นให้เราต้องลำบากเสี่ยงเข้าไปเก็บเอาเองอีกด้วย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 มันทำอาการคล้ายๆจะบังคับอยู่ในทีว่าถ้าผมจริงก้อยเสี่ยงไปเก็บเอาใต้ที่มันทิ้งมาไว้ให้ใช้เป็นประโยชน์เอาเองตัวมันนะเปิดอ้าวไปก่อนแล้วมีหน้ำซ้ำยังหลอกให้สางปลาแบกของแทนมันซะอีกนี่ละครัแง่ท า, ายของแท้รู้จักมันไว้ซะเถอะแล้วคุณไม่ได้แปลกศักปรึกษาแง่ า, ายเลยไม่ใช่เหรอในการนาเข้ามาในนี้ดารินถาม ก็ทำไมผมจะต้องปรึกษามันด้วยล่ะครับคุณหญิงเห็นผิดปกติยังไงเกี่ยวกับอันตรายที่จะมาถึงทุกคนปากมันมีมันก็น่าจะพูดได้สิใช่สิปรารใหญ่ผู้ยิ่งยงย่างคุณน่ะก็ถือว่าเรื่องอะไรที่จะต้องปรึกษาหรือสอบถามใครใหเสียเหลี่ยมเท่าๆกับที่แงาายก็ถือว่าคุณเก่งแล้วเรื่องอะไรจะต้องบอกเพราะไม่ได้ถามก็ต่างฝ่ายต่างเอาเหลี่ยมเอาเชิงกันอยู่แบบนี้ยแล้วก็ลองดีลองเชิงกันอยู่ตลอดเวลาพวกเราก็พลอเดือดร้อนไปด้วย นี่ถาปองโดงสามาคัคคีไม่คอยระวังเอาแง่กันเสนหน่อยเดียวเท่านั้นะระหว่างคุณกับแง่ทา ย, ายอุปสรรคทั้งหลายก็น่าจะรู้ล่วงไปด้วยดีที่สุดคุณเองก็ร้ายหยอกอยู่ร่ะแง่ท า, ายก็ไม่เบาต่างคนต่างทันทันกันก็เลยจ้องจะคุ้มเชิงกันอยู่นี่แหละนักมานุษยวิทยาสาวบนอย่างห ง, งุดหงิดรำคาญใจแล้วถอนใจเฮือกฮ้ยนี่นจะเอาอยัางไงกันเนี่ยตัดสินใจเร็วดิมืดลงเต็มทีแล้ว ป่านนี้เงาทรายคงนั่งรออยู่ข้างนอกแล้วมะมั้งไม่ใช่ไปนั่งรออยู่เฉยๆหรอกเขาไ่นั่งหัวร อ, ององหายอยู่ด้วยมันทําเจ็บปวดจริงๆอะคราวนี้ถ้าไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับเราข้างหน้าและทําไม่คิดว่ามันเคยถ่ายเลือดช่วยชีวช่วยชีวิตเชื่อถาไว้ละพอายิงทิ้งเลยพับพาดิชายันสาบแช่งหัวฟัดหูวเหวี่ยงก็เห็นทีว่าผมจะต้องบุกเข้าไปเอามัดใต้ที่มันแกล้งทิ้งไวน้นะู่นแหะ ระพินว่าแล้วก็ขยับตัวเตรียมจะใช้ดาบในมือแหวกทางออกไปยังใต้ที่เห็นตกกองอยู่กับพื้นไม่ห่างออกไปนะแต่เช็ดฐานเนียวไห่ไว้สั ก, ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวระพินเราควรจะมีใต้เหลืออยู่บ้างนะในหอสัมภาระขืนบุกออกไปโดยใช้วิธีใช้มีดตัดมันจะไม่ไหวนะก่อนจะถึงใต้ที่แงาซายทิ้งไว้ให้เนี่ยผมว่าคุณจะแย่สั ก, ก่อนตละลางวงมันใหญ่ๆทั้งนั้นอะลองค้นในหอของของเราดูก่อนดีกว่า ยอมพรานเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้เขาสอบถามไปยังพวกพรานพื้นเมืองพวกนั้นแสดงท่าไม่แน่ใจนักว่าจะมีใต้หลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่แต่แล้วในการช่วยกันคนชั่วอึดใจเดียวบุญคำก็งัดขึ้นมาได้แท่งหนึ่งอย่างดีใจแทบจะกระโดดเหลืออยู่อันเดียวพอดีนายทุกคนถอนใจออกมาอย่างโล่งอกระพินไม่ยอมให้เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวจุดใต้ติดไฟขึ้นแล้วเดินบุกทางด่านออกไป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 หวังว่าคงไม่เกิดเรื่องรุนแรงอะไรนะระพิบเชษฐากระซิบเตือนอย่างไม่ไว้ใจพรานใหญ่ยิ้มเแย้โปรดจัด ก, กังวลเลยครับคุณชายผมไม่คุ้มแค้นหรือคิดจะแก้ล้ำอะไรมันหรอกเชษฐาสั่งให้เขาบอกพวกพรานพื้นเมืองทุกคนด้วยไม่ให้ใครแสดงอาการขุนแค้นโกรธเคืองหรือด่าว่าอะไรแงใส่พวกนั้นได้แต่อุบอิบสาบแช่งอยู่ในลําคอมองคอนเจ้ากะเรียงฉงน้ำกันประหลับประเลือกสางปาไม่พูดอะไรทั้งสิน้น พอพ้นจากบริเวณอันตรายออกมาได้ก็โยนหาบที่แบกคู่กับขยินแทนให้แกแงซ า, ายโครมมุกบนพื้นข้าเสียท่าไม่น่าแบกใมันเลยฮิโทไอ้แงซ า, ายเจ้าต้องสู่หันไปบ่นกับขยินผู้ดูเหมือนจะอารมณ์ดีกว่าใครในภาวะเช่นนี้มองดูเบื้องหลังแงซ า, ายแล้วหัวรอ ก, กึก ๆ, ๆดารินร้องเรียกเจ้าองค์ละคของหล่อนเบาๆหางเสียงเรียบปกติแงซ า, ายเดินเข้ามาหยุดจุดตรงหน้า แล้วอย่างที่ไม่มีใครคาดฝันเลยนักมานุษยวิทยาสาวสะบัดหลังมือตกหน้าคนใช้พิเศษของตอนดังชาดสนนใบหน้าอันคมสันเรากันหลอด้วยทองแดงนั้นหันสะบัดไปด้วยความแรงอะไรกันนี่คุณหญิงระพินร้องอย่างตกใจถลันปราดเข้ามาแต่ ด, ดารินผลักเซออกไปเฉยไม่ต้องไม่ยุ่มมันเป็นเรื่องของฉันโดยเฉพาะถอยออกไปพรานใหญ่ตะลึงอย่างจ้องตาค้าง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 ว่าเธอจะคิดปลองอะไรกับพรานใหญ่สาคัญแต่ว่าอย่าให้งานของพวกเราส่วนรวมเสียหายก็แล้วกันเงยสายไม่ตอบได้แต่กระพริบตาปริบปๆปดารินชี้มือไปที่หาบสัมภาระสั่งเฉียบขาดไปไปหาของขู่กระเคิยตามเดิมแล้วเอาธนูกับกระบอกสอนอาไว้กับตัวเองด้วยเจ้ากระเหลี่ยงพระเนจรกม้มศีรษะให้นายหญิงอย่างอ่อนน้อม แล้วก็เดินไปประจำหน้าที่ตามเดิมอย่างสงบราบคาบไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นไหนหญิงเอาจริงดีสุมน้ำหน้ามึงไอ้แง้ยสายตาท่าบุญคำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ชอบใจชายันหันไปมองตาเชิฐถาแต่หัวหน้าคณะไม่สนใจซะมาเรียขยับปากจะพูดอะไรแต่พอสบตากล้าวเอาจริงของหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็เลยขยับไม่กล้าพูดอะไรทั้งสิ้น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 เนื้อ่ฉันจัดการกับคนของฉันด้วยกลัวจะน้อยหน้าไม่เดินเขาบ้างสักฉาดกันมั<ฮ>้งความจริงจะให้ยุติธรรมน่ะคจะโดนสักคนละฉากถึงจะถูกนะข้าที่เอาแน่เอางอนกันดีนะระหว่างคุณกับเจ้านั่นพลอยพายพวกเราเข้าตาร้ายกันไปหมดคราวหลังก็ประลองฝีมือกันใหม่สิแล้วผลในการกระทาแบบนั้นทาให้พวกเราสักคนนะึงหรือทั้งหมดพี น, ดน้าไปไปเป็นน้ทาง ตัวมันมีหน้าที่ยังไงก็ไปทําตามหน้าที่นั้นดิอย่ามาทําเก๊กหน้ายืนเตะขวางหูขวางตาอยู่นะยิ่งอารมณ์ไม่ดีอยู่ด้วยน้ำภาษาอะไรก็ไม่รู้ผานำก็ไปกลางโดงมาต้นไม้กินคนประโยคหลังหล่อนตวัดแว๊ดเสียงเอตโตโรจนทุกคนสะดุง้งหันมามองเป็นตาเดียวแล้วก่อนที่เชษฐาจะร้องถามความอะไรมามาเช่นใด น, นั้นรพินก็ก้มศีรษะโค้งให้ลักษณะอาการเดียวกับแง่ายเมื่อครู่นี้ ขอรับครับกระผมนายหญิงเขาว่าแล้วก็ผละห่างออกมาเสียโดยเร็วพลันนำขบวนทั้งหมดเดินอ้อมดงไม้ประเภทแคคตัสที่หลงเข้าไปติดกับเกือบอับจนอยู่เมื่อครู่นี้เลี่ยงออกป่าหินทางด้านซ้ายมือแข่งกับแสงสว่างของทิวาการซึ่งโรยตัวสลัวมนลงทุกขณะเราต้องหาชยภูมิที่พักให้ได้ภายในไม่เกิน15นาทีข้างหน้านี้ในป่าหินแถวนี้แหละ เขาบอกให้ท่านหัวหน้าคณะทราบขณะที่เดินผ่านหน้าเชิดาขึ้นไปแล้วก็กวดไปทันแงสายกับขยินส่งกระบอกสอนให้จอมพเนจรหน้าตายตามธรรมเนียมรับกระบอกบรรจุดอกสอนติดระเบิดมาคล้องไหลไว้แต่แล้วก็แทบสะดุ้งโหยงเมื่อพระพิงจุดไลเตอร์สว่างพรึบขึ้นเฉียวเปลวแกล้งเฉียดสนวนะเฉียวเปลวแกล้งเฉียดสายชนวนไปอย่างบุดวิดก่อนที่จะเอามาต่อกับซิก้าครึ่งตัวของเขา ที่งัดขึ้นมาจากกระเป๋าเสือ้ออะไรจะเกิดขึ้นบ้างถ้าเปลวไฟนี่แตกเข้ากระสายชนวนธนูระเบิดบนหลังของแกฮะระพินกระสิบเราก็แหลกกันหมดทั้งสิบสองคนรวมทั้งผู้กองด้วยไม่ใช่ผมคนเดียวแน่ครับแง่าสายกระสิบตอบเช่นเดียวกันแล้วหัวร้องทำได้สวยมากนะแง่าสายเกิดมายังไม่เคยมีใครลูบคมฉันไดถึงขนาดนี้ ยังไงผู้กองก็เปรียบประดุษเสือใหญ่อยู่นั่นเองแหะครับผมจะเป็นได้ก็แค่หมาป่าเท่านั้นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ยดูเหมือนจะเหมาะสมกับแกมากกว่าอย่างไงก็ตามฉันรักลวดลายกระล่อนหน้าเฉยของแกว่ะมันเป็นความรักที่คร้าวละคนประ ก, ะการอยากกระทื้อไปสมรักฉันรู้หรอกว่าที่นายหญิงชิงลงโทษตบหน้าแกซะก่อนเมื่อตะกี้นี้ก็เพื่อเป็นการไถ่โทษแกจากฉันผงกลัวสิว่าฉันจะเตะแกกระมัง ก็เลยชิงลงมือทำโทษแกชันเห็นซะก่อนนายหญิงรักแล้วก็ให้ท้ายแกมากนะผู้กองครับโดยสัตว์จริงนะครับผมไม่เคยคิดที่จะหยาบยามดูหมิ่นอะไรผู้กองนะครับบางทีผู้กองอาจคิดมากเกินไปก็ได้อ๋อใช่สิแกนําไม่ดูหมิ่นหยาบยามใช่หรอกหากแต่เคารพนับถือใหการคาราวะฉันเป็นอย่างมากโดยพฤติการที่แกแกลําฉันมาตะกี้นี้ยังไงล่ะแต่ผมทราบนะครับ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 เพียงแต่ผู้กองนําคณะของพวกเราตามผมออกมาไม่ทันเองผมเห็นเจตนาของผู้กองแต่แรกแล้วอยากจะท้วงแต่ก็ไม่กล้าเจตนาอะไรแงาสายหัวเราะตาคงกริบเหลือบมองเขาอย่างชาญฉลาดเท่าทันทุกฝีก้าวผู้กองก็รู้อยู่ดีแล้วนี่ครับว่าดงไม้กระบองเพชรเหล่านั้นน่ะลักษณะมันไม่เหมาะนักที่จะนําคณะทั้งหมดฝ่าเข้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาโพรเพลใกล้ค่าเช่นนี้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 แล้วผมก็ไม่เคยปรีปากเอ่ยคำใดออกมาในความรู้สึกของผู้กองที่ผมเดาถูกในข้อนี้เพราะฉะนั้นผมจึงนิ่งเฉยซะเมื่อเห็นผู้กองพยายามจะค้นหาที่ตายของบุคคลทั้งสองนั่นให้ได้ตามที่คาดหวังไว้ว่าจะพบถ้าผมทักท้วงเตื่นให้เปลี่ยนเส้นทางผมทราบว่าผู้กองจะต้องไม่พอใจและเห็นว่าผมเสือกและพินไพวันคอแข็งถูกแล้ว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 สมมตนายชดกระนันอินเสียชีวิตไปแล้วธุระอะไรสําหรับผู้กองที่จะต้องมาลําบากเดินทางค้นหาอยู่อีกและคนอื่นๆก็พลอยลําบากเช่นกันเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่อันถูกต้องของผู้กองแล้วที่จะค้นหาหลักฐานชนิดนั้นออกมาพิสูจน์ให้ได้ซึ่งถ้าคนทั้งสองนั้นตายจริงแต่นั่นแหละด้วยความคิดหวังและแนวโน้มเอียงเช่นนี้ผู้กองอาจมีบาปเกิดขึ้นกระจโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้ คือภาวนาอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้พบกระดูกของนายชดกันานอินก็เป็นการแช่งทั้งสองคนนั่นไปโดยที่ผู้กองไม่จิตนาแก่ก็พูดถูกอย่างช น, นิดที่ฉันยอมรับแล้วทางด้านแกละ่ะสมมุติว่าแกรู้ว่าทั้งสองคนนั้นตายไปแล้วแกก็จะต้องพยายามทุกวิถีทางเหมือนกันใช่ไหมที่จะกบเกลื่อนบกปิดร่องรอยไว้เพื่อสร้างความหวังให้กับพวกนายจ้างทั้งหลายให้เขาเดินทางรุดหน้าต่อไป เป้าหมายอันลึกลับของแกอยู่ที่เทือกเขาพระสิวะอยู่แล้วแง่าสายยิ้มผมไม่บังอาจพอที่จะปฏิเสธในข้อนี้ครับผู้กองก็แปลว่าแกต้องการให้พวกเขาเดินทางต่อไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะโดยไม่คํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่เขาต้องการจะติดตามค้นหานั้นเสียชีวิตลงเสีย ก, ก่อนแล้วแม้ว่าพวกเขาจะบุกบันกันต่อไปก็เป็นการบุกบันกันไปอย่างเสียเวลาเปล่า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 และขอให้กลับเช่นนั้นไม่ใช่หรอกครับกลับใดก็ตามที่ผู้กองไม่ได้หลักฐานมายืนยันให้เขาเชื่อได้รบพิน์ไพรวันอืง้งเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าเขารู้จักแง่ทรายแล้วยังเด่นชัดที่สุดอย่างน้อยที่สุดก็รู้จักท่าแท้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของมันซึ่งเขาพยายามจะค้นออกมาให้ได้ตั้งแต่แรกพบแลวก็เปรียบเสมือนน้าท่วมปาก ถอยคำข้อเจราจากันอย่างเปิดใจระหว่างเขาและแง่ า, ายไม่อยู่ในฐานะที่เขาจะแพร่งลายให้คณะนายจ้างทราบได้เป็นอันขาดนอกจากจะรู้กันเองโดยเฉพาะเยี่ยงลูกผู้ชายชาติเสือเท่านั้นเหตุการณ์ย่อมอุปมาดุดถือมีดแย่คอหอยกันไว้คนละเล่มถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเชื่อดก็วายดับกันไปด้วยกันท้งคู่ไม่มีใครได้เปรียบหรือเหนือใครเพราะต่างฝ่ายต่างก็รู้เชิง มองเห็นความคิดอ่านของกันอยู่ทุกอิริยาบถเคลื่อนไหวถ้าเช่นนั้นฉันก็ทายถูกตั้งแต่ต้นแล้วสิว่าแกไม่ได้มีความซื่อสัตย์ในการร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้เขาพูดน้ำเสียงเบาปกติในอาการสนทนากระซิบกระซาทไม่สอว่าจะเกิดอารมณ์เช่นไรขึ้นมาผมยังไม่ได้ทรยศต่อผู้กองหรือคณะนายจ้างคนใดทั้งสิ้นและการร่วมทางมาด้วยของผม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 และพยายามจะค้นหาหลักฐานการตายของเขาให้ได้เพื่อฉันจะได้หมดภาระตามสัญญาสักทีมันเป็นความผิดหรือความทุจริตของฉันเหะเนี่ยสายผมก็เห็นว่าผู้กองทําถูกแล้วลนะครับถ้าผมเป็นผู้กองผมก็คงจะต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันอทีนี้มาพิจารณาทางฝ่ายแกบ้างนะสมมุติว่าขณะนี้แกรู้และพอจะได้หลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ชัดแล้วว่าในชด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 เรากำลังต่อสู้กันในหลักของตรกกาษา์นะครับผู้กองต่อสู้กันด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงซึ่งผู้กองต้องการจะบีบผมด้วยเหลี่ยมคูของวาทะเพื่อจะให้ผมยอมรับอะไรบางสิ่งบางอย่างอันผมเห็นว่ามันพ้นภาวะที่ผมจะรับได้ประโยคที่พูดนั้นไม่ใช่สัมนวนของแง่ทายใช่แหากจะเป็นของใครสักคนหนึ่งที่รพินไพรวันไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่รู้ ว่ามันแฝงซ่อนอยู่ในคราบของแง่ทายมาโดยตลอดเพียงแต่จะสำแดงตนขึ้นเมื่อใดเท่านั้นละครชีวิตของเราสองคนขณะ น, นี้เล่นกันคนละบทบาทนะครับผู้กองเป็นตัวพลานนำทางเป็นหัวหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่างของการเดินทางขณะ น, นี้ส่วนผมมีบทเป็นลูกหากคนรับใช้โดยบทแล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงอะไรนอกเหนือไปกว่าหาบของ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 โดยลักษณะปลายหางตามอมแต่ความจริงนั้นชดประชากรกับนานอินควรจะตายแล้วใช่ไหมนี่คือคาเปรย์ถามของคนที่มีแนวโน้มเอียงอยากจะให้การเดินทางสิ้นสุดลงก็ไม่ได้นะครับชดประชากรกับนานอินอาจล่วงหน้าไปถึงเถือกเขาพระศิวะและยังมีชีวิตรอดอยู่ก็ได้และนี่ คือคำตอบของคนที่ต้องการจะให้การเดินทางรุดหน้าดําเนินต่อไปนั่นคือเหลี่ยมที่แกจะพูดกับฉันเพื่อรักษาผลประโยชน์ของแกแต่ฉันพูดกับแกเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นการพูดอย่างจริงใจอย่างลูกผู้ชายถึงแม้ว่านายชดจะตายจริงฉันก็ต้องนําคณะนี้เดินทางต่อไปจนถึงเทือกเขาพระศิวะอยู่วันอย่างคําถ้าหากว่าฉันไม่สามารถจะหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้เขาเชื่อได้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 ไม่ใช่่าแกเห็นหลักฐานเหล่านั้นไว้เรียบร้อยหมดแล้วแต่แกล้งทำเฉยใช่หรอกนะแง่สายสันศีรษงคำพูดและสีหน้าบริสุทธิ์ไม่หรอกครับผู้กองในเรื่องการตามรอยหรือตรวจหาร่องรอยกันแล้วท้าแม้ว่าพรานใหญ่อย่ า, ยยางระพินไทรวันยังค้นหาไม่พบก็แปลว่าไม่มีพรานคนใดในโลกค้นพบได้อีกแล้วแง่สายไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าพารานระพินในด้านนี้หรอกครับการเจรจาชะ ง, งักลงเพียงแค่นั้น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 กึ่งหน้าวิเวกชวนสะพึงกลัวอย่างลี้ลับนั้นก้อนหินใหญ่น้อยรอบด้านบัดนี้แสงสุดท้ายแห่งทิวากายย่อไม่เป็นสีทึมๆยากที่จะจำแนกออกไปได้ว่ามันเป็นสีอะไรแน่ทุกก้อนเรากบมีวิญญาณของรากสดผีร้ายเข้าสิงคอยจ้องมองการเคลื่อนไหวของกลุ่ ม, มนุษย์ทั้งสิบสองชีวิตอยู่ด้วยเลสัยอันไม่น่า ว, วางใจบริเวณทั้งหมดเต็มไปด้วยทางด่านอันวกเวียน ภาตัดไปมาราวกับถนนย่านจัตุรัสกลางใจเมืองล้วนแล้วแต่ซอกมุมที่กำบังตาไม่สามารถจะแลเห็นอะไรได้โปรงตลอดไปไกลนักนอกจากบริเวณอันจำกัดเฉพาะแห่งและระพินก็ตาเป็นประกายขึ้นมาได้ด้วยความหวังเมื่อมองเห็นซากต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ต้นหนึ่งล้มพาดขวางอยู่บนเนินก้อนหินเบื้องหน้าระยะไม่ห่างออกไปนัก ูห่หินที่งอกสลับซับซ้อนเป็นแง่ง้ําเบื้องบนขึ้นไปของตำแหน่งนั้นก็หินชัยภูมิเหมาะอย่างยิ่งสำหรับที่จะใช้กําบังลมและนําค้างเขาชี้ให้ทุกคนเห็นแล้วออกเร่งฝีเท้าเดินนําตรงเข้าไปทันทีตำแหน่งนั้นสูงขึ้นไปกว่าระดับพื้นราบประมาณสิบสองเมตรโดยต้องปีนไายแง่หินอันมอกอยู่ครุกระตะปมตะปามทั่วไปตามเชิงเนืนด้านล่างจอมพลนหยุดยืนหลีกทาง บงการให้พวกลูกหาบซึ่งแบกสัมภาระหนักทยอยกันไต่หาบของขึ้นไปก่อนแง่ท า, ายกับขยินเป็นคู่แรกนำหน้าโดยปกติถัดมาก็เกิดกับเสยและบุญคำกับจันเป็นคู่หลังตามติดด้วยสางปาขณะนายจ้างแยกย้ายกันไต่ขึ้นไปโดยอิสระโดยมีพรานใหญ่ตามขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายแง่ท า, ายกับขยินช่วยกันประคองหาบจนจะถึงตำแหน่งพื้นที่ราบเบื้องบนอยู่แล้ว เจ้าสังปลาผู้แบกของเดี่ยวอยู่ตามลำพังก็เหยียบหินพลดขมามนน่าจะหลุดร่วงลงมามืออันว่องไวตามสัญชาตญาณของมันก็คว้ามาไปยังด้านหลังของจันทร์เพื่อที่จะอาศัยยึดโดยไม่เจตนาแต่แทนที่จะคว้าติดยา่ามหรือเสื้อด้านหลังของจันทร์มือของเจ้าพรานตองสูขยุ่มลงไปตรงบริเวณคอปืนของลูกซองบราวนิ่งห้านัดที่สะพายอยู่ทางด้านหลังของจันทรนิ้วใดนิ้วหนึ่งของมันกระชากพรวดหลุดลอดโคลงไกเข้าไป สัมผัสกับไกปืนเต็มแรงจะเป็นเคราะไรเคราะดีหรืออย่างใดก็สุดที่จะบอกได้ลูกสองกึองอัตโนมัติของจันกระบอกนั้นเจ้าของลืมใส่ห้ามไกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ประจันหน้าซันโวกับเจ้าแรดโบราณเมื่อเชา้านี้และกระสุนก็บรรจุพร้อมอยู่ในรางพลึมมันก็แผ่โตมสนันวันไหวขึ้นท่ามกลางความเงียบในในล้อตเวไปเบเบนฉออกจากปากกระบอก กรวสุนลูกปายแบบที่บรรจุอยู่เก้าเม็ดพุ่งขึ้นไปบนอากาศเพราะปากกระบอกที่สะพายชี้ขึ้นสูงท่ามกลางความสงบวังเวงวิเวกของป่าหินที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้เสียงของมันดังสะท้อนไปทั่วทั้งหมดตกตะลึงพลึงเพลิดหันควักมาทางต้นเสียงด้วยความตกใจคู่ของจนกระบุคนคำถลี่ลื่นชนกันชุลมุนดินลกคลั ก, กล้มทับกันอยู่ตรงนั้นส่วนเจ้าส่างป่า อารามตกใจห้อยหลุดตองแตงตีมข้างหนึ่งถีบอากาศแย ก, แย ก, แยกมือยังเหนียวคอปืนที่สะพายอยู่กระบาของจันเช่นนั้นเสียงกระพินและใครต่อใครอุทานออกมาเอะอาลั่นกันไปหมดเท่าที่เห็นกันอยู่ในขณะนี้นั้นไม่มีใครได้รับอันตรายจากปืนลั่นนอกจากความะโนกสะดุ่งในอุบัติเหตุแล้วก็นึกทายกันออกทันทีว่าอะไรเป็นอะไรจากภาพที่เหลียวมาพบครั้นแล้วชั่วพริบตานั่นเอง ความตื่นตกใจโอลมานที่เกิดขึ้นจากอยู่ๆก็มีเสียงปืนลั่นขึ้นนั้นได้ถูกกบไปกลืนหายไปกับความช็อกชนิดใหม่ที่ปรากฏซ้อนขึ้นอย่างกะทันหันโดยที่ต่างก็ไม่ทันรู้ตัวมาก่อนกัางวานเสียงลูกซองลั่นยังไม่ทันจะหมดสิน้นก็มีเสียงแผ่ร้องปามแผ่นดินทั่ลมโลกทะลายดังมาจากเบื้องหลังของหมู่ก้อนหินนอนที่เจตนาจะขึ้นไปอาศัยพักนอนนั้น แผ่นดินที่ทุกคนยืนกันอยู่ในอีริยาบถต่างๆไหวเหือกราวกับแผ่นดินไหวพร้อมกับเงาทามินมาคือมาปานราหูหรือมิฉะนั้นก็ปีศาจมหายักษโผล่วูบขึ้นมาพ้นขอบภูเขาหินย่อมย่อมลูกนั้นสูงชะเง้อมเกิมความสูงของยอดหินเนินนั้นขึ้นไปเกือบเท่าตัว็เนเงาท่าทัดัดกับแผ่นฟ้าสีมมนใกล้คา สเสหมือนว่าโลกสส่วนนั้นจะถูกกลืนไว้หมดสิ้นทายใต้เงื้อมหัดอสูรสว่างจ้าก็ไปเพียงรวงตาสีเหลืองเรืองทั้งคู่กับแถวอันแน่นขนาดนับไม่ถ้วนของฟันแหลมคมที่อยู่ในปากอาเสยกวะวักสุหนักของมันทั้งพิษสวงตกใจและคนเกลียวกรอที่ถูกรบกวนอย่างกระทันหันโดยเสียงปืนและเสียงอื้ออืของมนมุษย์ที่เกิดขึ้นใกล้ชิดตัว ลุกสภาพอันเป็นดุจเสีและอารมณ์พักผ่อนสบายของมันขึ้นมามนุษย์ทั้ง12ชีวิตแง้มองภาพนั้นคอตั้งบั้งประสาททุกส่วนยึดคึงนิ่งกลายเป็นธัรมชาตไปหมดอย่างน้อยก็ชั่วพริบตาหนึ่งหรือเรื่องสางตาทำปืนลั่นซะหมดสิ้นหรือแม้กระทั่งขณะ น, นี้พวกเขาทุกคนเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนวิญญาณทุกดวงดูเหมือนจะปลิวกปอยออกไปสู่โลกอื่น ทิ้งของใ ห, หมนเร็วเช็ดแถวราริตรกนสุดเสียงฟังแทบไม่เป็นภาษาปฏิกิริยาเคลื่อนไหวแรกของเขาก็คือคว้าตัวน้องสาวผู้กําลังช็อกนิ่งอยู่กระชากเพลนกระจรเลิ้วจากแง่หินลงมายังพื้นเบื้องล่างโดยไม่คานึงถึงว่าอาาวัยวะส่วนใดจะหักชํารุดไปน้องว่าจสะสกุลทั้งคู่ลอยกระลิ่วลงมากระทับพื้นเบื้องล่างแล้วพิ้งกันจับกระจายไปเป็นคนละทาง เชยัมกามาเรียก็เพนตามลงมาเป็นคู่ที่สองภายหลังจากถูกระพินผลักสุดแรงเกิดก็ไปยังแผ่นหลังของคนทั้งคู่มทั้งสองจะล้มลงไปได้รับอันตรายเช่นไรไรต่อไปเช่นนี้เพราะวิกฤตการณ์ที่เห็นชัดกับตามันยิ่งใหญ่กว่ามากมายนะักตัวเขาเองถอยหลังทีหลักเก้าเง็นจ้องคอตั้งบาอยู่เช่นนั้นปา ก, ก็ตะโกนย้คำคําสั่งเพื่อต้าเรืรอปลื้ทุกคนเพนให้หมด หาที่กำลังไว้ก่อนแม้จะเคยชินกันนักต่อ น, นักในภาวะอันฉุกเฉินอย่างฉับพลันชนิดที่จะต้องเคลื่อนไหวเพื่อช่วยตัวเองอย่างตัวใครตัวมันเช่นนี้ทั้งสิสองชีวิตยามนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าถูกพันธนาชนิดหนึ่งบังคับให้เชื่องชา้าเงื้องหนักกันไปหมดคล้ายตกอยู่ในห้กของรายซึ่งแขนขาไม่สามารถจะยืดออกไปได้ดังใจคิดพวกร่างพื้นเมืองทิ้งหักลงกลับมา เพนโผนกระจรตามกำลังมาอย่างสตีทบไม่อยู่กับตัวก่อนจะคิดอื่นใดได้ทั้งสิน้นสัญชาติยานของมนุษย์เดินให้ช่วยเหลือตัวเองก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาหาปีศาจไทยที่มองเห็นชัดกับตาในขณะ น, นี้มันน่าสะพึงตัวซะยิ่งกว่าความคาดหมายแต่แรกนักปากแดงฉานที่อ้าสแยกว้างเป็นม่ไ้น้เหลมของฟันยัดเยียดแน่นขนาดแลดูรา บ, บสนามบาสเกตบอลที่ใครมาปักวาเข้าไ้ มา่ว่าร่างของใครก็ตามที่หลุดเข้าไปภายใต้การหุบงับบทขยี้ลงมาในระหว่างกลามทั้งสองนั้นก็สุดที่จะคาดคิดได้ว่าวาระสุดท้ายจะสยดสยองสักเพียงใดระหว่างที่ใครต่อใครกําลังเพนรวดเดียวจากแง่หินที่ไต่กันขึ้นไปเพื่อลงไปสู่เพื่อนเบื้องล่างร่างกับฝูงหนูแตกตื่นพล่านเมื่อเผชิญหน้าแมวขนาดนี้ชายันพยุงตัวขึ้นมาได้ก็ออกวิ่งสุดแรงเกิด ไม้ก็หาซอกหินที่มีอยู่ทั่วไป แ, แล้วก็ต้องชะนักใจหายว่าเพื่อได้ยินเสียงตะโกนแหลมกรี๊ดใช่ยันช่วยด้วยพี่ใหญ่เดินไม่ได้หันขวับไปก็เห็นท่ามกลางการกระจรนหนีอย่างพลุกพล่านนั้นสหายรักของเขาเช่ดทาวราริศกำลังกัดฟันยึกยักเย่ยันกันอยู่น้องสาวเข้าฉุดลากประคองจะพาวิ่งอยู่ในยามนี้ก็เหลือความสามารถของหลอน ที่จะลากพี่ชายผู้ซึ่งขาข้างหนึ่งเป็นอะไรไปเสีแล้วหนักหนาแค่ไหนยังไม่ทราบได้เห็นแต่ว่าอดีตพันโททูทหารบกหัวหน้าคณะกัดฟันยืงเขยตัวงออยู่ขณะเดียวกันกับที่ดารินโรงตะโกนขอ ง, ของความช่วยเหลือเสียงหลงความรักและเป็นห่วงเพื่อนทํำให้ชายันลืมคิดถึงอะไรทั้งสิน้นเขาโขนตับพุ่งปลาเข้าไปในทันทีอันเป็นเวลาเดียวกับที่เยินละบุญคำเล่นตะเลิดมาจากเบื้องหลังลงเข้าช้อนปีกเชื้อท้าไว้คนละข้าง มารียผู้เพนแยกไปทางหนึ่งก็เพนก็นมาสมทบไม่ต้องห่วงน้อยกัเมย์เราพอตัวแรกไปตอนพี่ชายกัดฟันตะโกนสั่งสีหน้าเขาแสดงความเจ็บปวดจากขาด้านที่เคยเป็นจุดอ่อนอยู่ก่อนแล้วสมัยเมื่อรวมดันกระโลงไอแหวนดารินกับมารียพาวะาพวางังช ย, ยันก็ตะโกนไล่ซ้ำซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เกิดเซยและจันพุ่งขมกระชากชุดแขนทั้งสองหญิงพาออกวิ่งกระเจิบไปอีกด้านหนึ่งของศอกกินส่วนชา ย, ยันบุญคำและขยิน ก็ช่วยกันหิวเชิดตาผู้ขาเพลิดพิการลงชั่วขณะถ้าวิ่งอย่างทุลักทุเลเข้าหาที่หลบใต้โขดหินที่เลเห็นใกล้ที่สุด ติดต่อกับความอุลามาลขีดสุดของพวกที่โจรลงไปสู่เบื้องล่างและกําลังแยกกันหลบเข้าหาที่กําบังตนในขณะนี้พลาดไปหมดตั้เองบนเชิงหินอันหมายตากันไว้ว่าจะยึดเป็นที่พับภายในคืนนี้หรือเพียงแต่ระพินไพรวันกับแง่ท า, ายผู้ก้าวถอยหลังแง่หน้ามองไอ้มหายักผู้กําลังอ้าปากกว้างเลือกตาลงมาทระเมด็ดดูพร้อมกับส่งเสียงคำรามไม่ขาปากแง่ท า, ายเอื้อมือไปปลกุกขันพลที่สะพายไหลยอยู่ ไม่ขณะที่จอมพรานต้อประชับไรเฟินจุดสีห้าดนั่นแอบจะบีให้แลกไป้ข้ามือขรั้นแล้วพลิปตานนั้นเองก่อนที่ทั้งสองจะเคลื่อนไหวต่อไปอย่างไรหรือแม้แต่โอกาสจะบอกความแก่กันเจ้าไทรนโนโซอรัสซึซ่งชะเง้อมชะโงกพังโขวามองอยู่ในขณะนี้ก็แผ่เสียงร้องอย่างดุร้ายเพราะขามุนมองเห็นมนุษย์ทั้งสองชีวิตอย่างถนัดขยุ่งขาหน้าอันเล็กสัน้นผิดส่วนเข้าหายอดหินที่มันยืนชะนโงกอยู่อีกด้านหนึ่ง ด้วยอาการตะกายรุกไล่พลังมหาศาลที่โถงกับปะทะหินงูที่เรียงซ้อนกันอยู่นั้นทําให้บ่งเกิดเสียง ค, ครื่นคลั่นสนั่นวันไหวเหมือนแผ่นดินพลิกหมู่ก้อนหินใหญ่น้อยที่เรียงซ้อนกันอยู่ตามธรรมชาติหักสะบัน้นหลุดร่วงจากตําแหน่งที่เคยวางอยู่พัลมครูคราวลงมาระบุเคระเบิดแฮนใหญ่ร้องออกมาได้เพียงคาเดียวเฮ้ยเท่านั้น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 กลิ้งม้วนล่หลังเข้ามายัางบวดวิดท่ามกลางเสียงร้องวนวายเสียทราของพรกพวกที่มองเห็นเหตุการณ์จนจําแนกไม่ถูกมันกลิ้งมาสะดุดกับแง่หินก้อนหนึ่งสะกก้อนแล้วกรดอนสูงโจนเลยผ่านศาีรษะเข้าไปเพียงแค่ฝ่ามือเดียวอัดกระแทกเข้ากับเนินหินของอีกฝั่งหนึ่งเสียงโครมสนั่นแตกระจายออกเป็นเสียงเสียงทั้งก้อนที่ปะทะและก้อนที่ประทะระพินทรงตัวหัวสุนขึ้นมาได้ ก็แล่นทลาเข้าไปเก็บไรเฟินที่หลุดกระเด็นจากมือตกอยู่ไม่ห่างออกไปนักแล้วโกยนักวิ่งพลางหันหน้มามังลองพลางตรงก็ไปสมทบกับเชิฐถาซึ่งขณะ น, นี้พักพวกช่วยกันล่าเข้าไปหลบกำบังอยู่ใต้ซอกหินขนาดใหญ่ห <c oughs> นีมาไปอยู่ที่นี่ไม่ได้อันตารายมันก็แทะทีเดียวหินจะบดทับเราก็ใจายเราออกไปตามซอกหินตดินพยายามใหญมันเห็นได้รพินตะโกนบอกกระหืดกระหอ ทุกคนขนาดนี้อยู่ในภาวะกระสับกระสายภาวะผวาหมุนกันพลาดมองไม่ถนัดว่าใครเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างในสภาพอันสับสนจาราวันเช่นนี้ดารินมาเรียเกิดเซยจันและส่างตากระจายหายกันไปทางไหนไม่ทราบได้เฉพาะทางด้านที่เขาพวดพลาดเข้ามาก็เห็นเพียงชายยาังงยยันบุญคังขยินและเชษฐาผูกําลังยืนหากอดไหลข ย, ยินไว้ข้างหนึ่งและชา ย, ยันอีกข้างหนึ่ง รระพินเช็ดขาขาหักเชล้วชั ย, ยันร้องบอกอย่างเกึกก้องพรานใหญ่ใจลินไปอยู่ที่เท้าทันรัน่เข้ามาคุณชายเขารองแต่เช็ดขาสั่นศรีรษะชี้มือไปยังเบื้องหน้าไม่ต้องห่วงผมขาแพ้นิดหน่อยเท่านั้นเองโน่ดูโน่นช่วยก่อนเร็วเจ้าพรานหันขวักไปทางเบื้องหลังอันเป็นตำแหน่งที่เขาเพลนหนีมาหยกหยกภาพที่เห็น เงะสายร่วงลงมาติดอยู่ยังซอกหินตอนหนึ่งต่าจากระดับเดิมลงมาเกือบถึงตีนเนินกำลังวิบดวลพยายามจะชักขาออกจากซอกหินหคล้ายๆกับว่าขณะที่ต่างคนต่างเพ่นลงมาพร้อมกันนั้นเงะสายเสียหลักห ล, ล่นทะลังเหยียบลงไปในซอกหินอันแคบจํากัดหรือมิฉะนั้นก็มีหินก้อนหนึ่งเล่นลงมาทับไว้ทําให้ไม่สามารถดึงขาออกจากซอกที่บีบได้นท่านธนูหลุดกระเด็นหายไปจากมือซะแล้ว จอมพเนจรบัดนี้ตกเป็นเป้าหมายที่ขยับขยื่นเคลื่อนนี้ไม่ได้และอยู่ใกล้ไอ้มหายักษ์มากที่สุดใคยๆหนูติด ก, กับโดยมีแมวกำลังคำเม่นมองและชะโงกคอใกล้ลงมาฉนั้นเสียงใครต่อใครในมุมต่างๆในขณะ น, นี้ร้องเสียงหลงเชิดท้าผลขยินกระชัยยันที่ประคองปีคิ้วล ง, ข, งออข้างออกทางออกไปก็โดขยเยนขาเดียวก็ยืนยักย่ยันง่ายหินไว ยกจุด460เวทบีขึ้นประทับอย่างยากเย็นแต่ท่านหัวหน้าคณะยังช้าอยู่อีกอ้ากกว่าเต็มบรด็วยฟันของอสูรโลกล้านปีตนั้นกำลังโพร่เคล้มยอดหินที่ค้ำอกอยู่และยื่นคอลงมาใกล้แง่สายห่างเพียงไม่กี่วาเท่านั้นพร้อมกับเสียงคำรนราวกับฟ้าร้องผู้เารอ บ, าารอบดานสถ้านวันไหวไปทั่วด้วยกำปันหเสียน วินาทีดักกิจวินาทีซึ่งทุกคนมองเห็นชัดว่านั่นคือวาระสุดท้ายของเจ้าองคล์ละครพิเศษของดารินคนใช้ของคณะเดินทางผู้มีสมรรถภาพที่สุดระหว่างการออกแรงจนสุดชีวิ ต, วลตลาลังทั้งหมดผลักขินก้อนดินหีพับขาอยู่ของเงาใสกับจังหวะการก้มคอลงมาต่าของไอ้มหายักษซึ่งแกว่งจมูกหางเนือ้อศีรษะขึ้นไปเพียงนิดเดียวทุกคนก็บอกได้ ในพิษตาที่เลเห็นว่าอย่างหลังจะต้องมาถึงก่อนแง้ส า, ายถูกล้อเต็มกะอบกินั้นย่างแน่นนาเกินกว่ากำลังจะช่วยตัวเองได้แต่เจ้าคนดงพนเนจรก็ไม่ละความพยายามมันสาลวนที่จะช่วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยวและปราศจากความหวังอยู่เช่นนั้นเชิดถามคุทพิการ จะลืมความเจ็บปวดหมดสิ้นลงในขณะนี้ที่เขายกขึ้นยังไม่ทันจะได้ระดับรั่นไกลก็มีคนที่เร็วกว่าเขาเร็วกว่าไอไดโนเสาร์พันปีที่ใหญ่ที่สุดจะฉกปากออกมาถึงเยื่อของมันอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งในร้อยของวินาทีรับพินไพร์วันเขายิงโดยไม่ได้ใช้ศูนย์เลยสําหรับวินาทีวิกฤตสุดยอดนั้นเป้าหมายคือส่วนปากอ่างปากปากของเขา เสียงกระสุนขนาด 4-5-8 มิลลิมแอฟริกันตึ๊กต่องกบเสียงคำรามของมันหมดสิ้นเทียบอัตราส่วนแล้วไร้ฟ้นในมือของมนุษย์จะเล็กกิ๋วไปจากความหมายสําหรับมันเช่นไรก็ตามแต่เมื่อแผดออกไปกปําปนาตของเสียงลูกปืนก็ยังดังกว่าเสียงคำรามของมันมากนักสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยสายตาอันเหลือล้านจ้องตะลึงในขณะนี้ชิ้นส่วนในปากของมัน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 เป็นเสียงป้อจนเจ็ดตัวและคนโปรแค้นเหลือที่จัเก่ามันทสายหัวฟัดฟา ด, ดอยู่ไปมากระทบยอดหินข้างเคียงหักถล่มกระจุยกระจายกระเด็นว่อนไปทั่วกระพินไม่อาจปปิดตาให้ช้าแม้แต่พริบตาเดียวทันทีที่กระสุนนัดแรกรับมเขาก็กระชากลูกเลือดบ้านนัดใหม่เข้ารังเพลงิงแล้วซัดตูมซเข้าไปเป็นนัดที่สอง โกรุ่นทุ่งทะลวงส่วนใดส่วนหนึ่งของปากมันอีกครั้งอย่างจังที่สุดเหมือนเอาปืนอัดลมยิงถูกปากตะกดุดไอ้ยักษ์สะดุ้งพังงะงแล้วคราวนี้ริบเดชของมันก็อุบปปมาประหนึ่งยักษ์ฮิรันม้วนแผ่นดินในเรื่องรา ม, มาเกียรติทั้งส่งเสียงคู่คำรามทั้งดิ้นรอนอารวาสป่าหินที่แวดล้อมอยู่รอบตัวยกักษดีร้ากั บ, บกยักษ์ปมือยลมมือหรือตีนคู่หน้าทั้งสอง ปลายขวาขยุ่มไปยังยอดหินในละแวะกใกล้เคียงไว้คลานถล่มทลายเป็นแถบๆสำเสียงแผลงริตของมันกึกก้องปกคลุมอาณาบริเวณรัศมีห่างไกลโดยรอบหินก็ไหวอยู่คือกเคือกในทุกครั้งแห่งการขยับเคลื่อนไหวพร้อมกับท่อนหางมาคือมาที่ตะวันแววงฟาดกองหินราพนาสูเป็นแปลงเืิที่ได้รับ การยิงติดต่อทั้งสองนัดของราพินคือการยืดชีวิตของแง่ทรายออกไปอีกช่วงหนึ่งบัตรนี้มันชังง่นัดในการหมายก้มลงมาขย้ำนับเยือที่เห็นใกล้ยอยู่ตรงหน้าลงอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งหัวแต่อ้าปากกร่อนรามองหาศัตรูผู้กระทําให้มันเจ็บอยู่พร้อมทั้งขย้ำนับตบขยี้ยอดหินบนหัอย่างดุร้ายกระหายเลือดยิงรางความมันไว้ผมจะเข้าไปช่วยแง่ทราย ร้านใหญ่ตะเบงบอกทุกคนจนสุดเสียงและพริบตานั่นเองร่างเพียวก็ถลันจากที่กำบงังวิ่งสุดฝีเท้าต้องไปยังแง่ทายที่ปิดซอกหินอย่างไม่คิดถึงใครที่จะมาถึงตนเองเมื่อทุกคนจึงดูเหมือนได้สะกขึ้นมาอีกครั้งเสียงปืนจากซอกหินกำบังรอบดางแผ่กระทุ้กขึ้นราวกับกระทับงานรุดหูดับตาไม่เป็นการยิงอย่างซัโว และไม่มีการคำนึงถึงเลยว่าจะหมดระดับสูงหรือไม่เพียงไรเป็การระดมยิงเพื่อลบกวนไม่ให้มันมีเวลาพอที่จะหันมาพุ่งกับเหยื่ออันอกากล้ติดสุดไในพาบกิริยาที่กำลังเกลี้ยวกลาอเโกรแท้นอาวุธสูงที่โปรยายเข้าไปในครั้งนี้ดูจะปราศจากความหมายซะแล้วสำหรับไอ้ยักษ์หยุดดำบันมันปะวัติมาต่อเนืนหินด้านหลังใกล้กันทั้งแม่นมองกระพิน ผู้กำลังวิ่งปรีนเข้ามาที่แง่ทรายแล้วเราหวัวก้มหัวหลบผู้หวล้านผู้โกงสตรของเขาสำเนียกเสียงตะโกนตเตืนอน ก, ก้องมาจากเจ้าคนที่ขาแตกอยูเพราะกังเาของราหูที่รูบลงมาได้เจ้ารามพังหนัหลบกระโจรถอยหลังเข้าบาังก้นปล่อให้ปากอ้ากว้างอันเป็นบใบฟันนั้นเสยทำรามไกวคว้าค ว, วามหาอยู่เหนือศีรษะยาม น, นี้เขามองไม่เห็นอะไรอัน ก็แต่ฟันแหลมคมแต่ละซี่กว้างใหญ่กว่าใบพายเรียงรายซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบเต็มพืดไปหมดทั้งบริเวณปากล่างบนมองไม่เห็นส่วนโลกบริเวณอันควรจะเป็นลิ้นหรือเพดานเลยลมหายใจแรงๆของมันเต็มรทธิ์ปิน่นซ่าหน้าระครูเปาเมาปะทะราวกับพายุฟ้าเมื่องบนอันมืดสลัวอยู่แล้วแบบนี้กลับมืดดำสนิร่งเงาที่บางไวหมดสิ เขวิ่งวนหลบปากมฤตยูนั้นอยู่รอบรอบก้อนหินแบบเล่นเอาเธอเจ้าลอ่ออาศัยข้อได้เปรียบในความใหญ่โตเก่ง ก, กาจของศรีรษะเท่านั้นกับซอกหินที่ใช้เป็นที่กำบังทณะเดกั น, ก, นก็ได้ยินเสียงระเบิดกระสุนจากพวกพ้องระดมซัดเข้ามายัางไม่ยังหัวกระสุนที่พุ่งกระทบและเจาะทะลวงเข้าไปในส่วนศรีรษะและกา้านคออันมาึือมานั้นได้ยินทันหนักให้ยับหลอดก้องทั้งเจ็บ ทั้งโกรสะบัดหัวเงยร่นขึ้นไปสูงอีกระพินหลังเข้ามาถึงแงสายผู้ส่งบัดนี้ดึงใต้ออกมาจับย่ามหลังจุดไฟติดลุกชนอยู่ในมือยังไม่ทันจะถึงตัวมองเห็นสถานการณ์ของแงสรายได้ถนัดไอมาหายักษ์ก็ก้มหัวลงมาอีกระพินเพนถอยหลังเบียดเข้าชิดผนังหินเป็นเวลาเดียวกับที่แง่รายโยนใ ต, ต้ติดไฟในมือมาที่เขาระพินคว้าหมักไว้ได้ แล้วปัดแหวนย่างเสียงบุญเสียงกรรมออกไปตามเรื่องขณะที่มันขยับปากยื่นลงมาหมายจะขย้ำนักเปลวไฟที่ปิดอยู่กับปลายใตย้เป็นจุดความร้อนกระจ่อยเหลือประมาณสำหรับมันรทโยคาณ์นัปราทจากกระสาเก้ากับปิ่นของควันที่กลุ่นกโมองอยู่เจ้ายักษ์ไทรันถึงชงนะพดคอห่างออกไปในทันที สัญชาตยานของสัตว์โลกทุกชนิดระพินใจชื้นขึ้นมาทันทีนั้นเขากัดการแน่งจ้องมันเขมงคอยถือใต้ชูเยระวังไว้ในมือแล้วค่อยถอยหลังมาที่แง่ทรายท่ามกลางพวก้องที่ช่วยกันระดมยิงรบกวนมันอยู่ในขนานี้เป็นโกราหลนสองสามครั้งที่มันพยายามจะก้มลงมางับให้ได้แต่แล้วก็ต้องทํา ง, งาถอยกลับไปเพื่อระพินแย่ปลายใต้เข้าลนใสในที่สุดมือของเขา ที่ควาเอื้อมไปทางเบื้องหลังก็พบกับมืออันเย็นเฉียบของแง่ทรายที่เอื้อมมาฉวยควาไว้จอมพลังกระโดดถอยไปอยู่ในซอกกินตำแหน่งเดียวกับที่แง่ทรายถูกทอดสมออยู่แง่ทรายแกเป็นยังไงบ้างเขาถามทที่่ําคูใจไม่ได้อยู่กับ น, นึกกตัวตาคอยเง็นจ้องมาหาภัยที่จะมาจากศีรษะด้านบนของธนาจิตโดยไม่มีเวลาพอที่จะหันลงมาเห็นสภาพของเจ้าคู่แผลผู้หวหนนาทีวิกฤตในขณะนี้ได้ ประกอบกับแสงสว่างในขณนะนั้นก็สิ้นไปแล้วความข ม, มกุกขมัวปกคลุมอยู่ทั่วไปเห็นอะไรได้เพียงรางๆเท่านั้นเสียงปืนเสียงตะโกนบอกความกันเสียงเรียกหาดังแซ่ซัมจับสับไม่ได้ระคนไป็นกระสียงคำรามคำรนอย่างฟ้าเครียวของเจ้าไดโนเสาร์หันยักษ์ประกอบสภาพปีกกลับของแง่ใสซึ่งทําให้ชีวิตแขวนล่อแหลมอยู่บนปลายจมูกมฤตยูเช่นขณะนี้ทําให้ละพินภาวะาวัง หวงหน้าพวงหลงังมือตื้มืนงงไปหมดข้อเท้าผมติดซอกขินครับเสียงตอบกลุ่มึงสติอันมั่นคงและความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่เป็นไรมากครับเพียงแต่ติดตรงข้อเท้าชักไม่ขึ้นเท่านั้นก้อนข้างหน้านั่นแหละก้อนข้างหน้าพู้กองนั่นแหละมันไม่ใหญ่นะแต่กําลังผมคนเดียวดันไม่ไหวครับผู้กองทีมันออกไปผมจะออกแรงดันุพท้อมกันครับในภาวะเช่นนี้ ไม่มีอะไรที่จะต้องเสียเวลามาพิจารณาหรือซักถามกันต่อไปเขาปฏิบัติตามคําบอกของแงรายทันทีเอาหลังยันหินก้อนหนึ่งไว้เท้าทั้งสองออกเขายันออกไปยันหินเท่าที่กําลังมีอยู่ถีบดันออกไปอันเป็นเวลาเดียวกับที่แง่ายออกกําลังแขนสันดิกงัดผลักอีกแร ง, งปรากฏเสียงลั่นคึกด้วยกําลังของคนทั้งสองหินก้อนนั้นขยับเคลื่อนไปเพียงนิดเดียวเท่านั้น เงายายก็ขยับตัวไปอิสระผลขึ้นมาจากซ้อที่ลงไปติดอยู่เปไ็นเรื่อความปราดเปรียวคล่องแคล่วเหมือนเดิมอันแสดงว่าไม่มีร่างกายส่วนใดชำรุดแตกหักไปนอกจากจะกระเพลกเล็กน้อยและโดยไม่จำเป็นจะต้องพูดคำใดกันอีกเลยทั้งสองกระโดดพระออกจากก้อนหินบริเวณนั้นห่อริวตามกันลงมาในขณะที่หัวอันใหญ่โตดุจปีศาจมหายักจกขุมโลกันชวัดชเวียนกำลอยู่เหนือศีรษะด้านหลัง ระพินก้ม ง, งเจดไกรฝนของเขาที่ทำตกอยู่บริเวณก้อนหินที่พังหนะหลบปากมันะส่วนเนาสายจะวิ่งแยกไปทิศทางหนึง่งบริเวณตีนเนินอันราบลงยอมพรานกระโ จ, จะชักกระชากเอไว้ทันมูวนอยู่ตลางปีนเนินนั่นเงาสายรองช่างมันหนีก่อนขึงก็ เ, เป็นที่นั่นแกจะเป็นเหยื่อมันซะก่อนเขาตะหวาดเสียงหลงแตะชากเงาสายวิ่งหัวสุกหัวสุนไปทางเดียวกัน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 ยิ่งเดินย่างสามขุ้อ้อมออกทางซ้ายมือเพื่อบุกเข้าจู่โจมรุกไล่อย่างไม่ลดละกระสุนทุกนัดที่กรุงมนุษย์ประดมระเเคนเข้าไปเจาะฝังพราวอยู่ตามเนื้ออันหนาทึบรอบตัวไปหมดแต่ไม่มีนัดใดเลยที่จะสามารถทะลุแวกก้อนเนื้ออันทึบเข้าไปถึงอวัยวะภายในอันทำให้มันสาหัสได้เพราสภาพอันใหญ่โตมโหฬารของร่างกาย ยังมากที่สุดก็แค่ทำให้บังเกิดความเจ็บปวดตามล่างเนื้อและยุบยั่วให้ดูร้ายบ้าเลือดเพิ่มขึ้นความเร็วและการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังของมันบอกให้ทราบได้ว่าจุด600ในโตรและจุด460เวทบีแมกนัมทั้งสองกระบอกอันเป็นปืนขนาดหนักที่สุดของคนชุดนี้ปราศจากความหมายโดยสิ้นเชิง เมื่อไม่ได้เป้าหมายตำแหน่งดวงตาแรงประทะขนาด8ปพันกว่าฟุตบอนยังผลให้ได้ก็เพียงแต่สะดุง้งเหมือนถูกเข็มแทงเท่านั้นสำหรับเจ้าไทรันโนสอสในแสงสลัวของพลบคำ่ำทุกคนเพิ่งจะมองเห็นรูปร่างของมันได้ถนัดเต็มตัวเมื่อมันโผล่พ้นออกมาจากเบื้องหลังภูเขาหินบืนทุกระบอกที่จ้องประทับอยู่ในขณะนี้จ้องค้าง นิ้วของแต่ละคนแข็งเป็นเน็บชาไปหมดไม่มีกำลังที่จะเหนียวไกลลั่นกระสุนออกไปได้เรากับถุกสาบ พ, พร้อมกันเมื่อภาพนั้นปรากฏเต็มตัวในคลองจักสุตมาริอาฮอบมันสเก็ตภาพของมันโดยสมมติฐานได้ใกล้เคียงก็จริงแต่ลอนคำนวณขนาดของมันผิดไปเกือบเท่าตัวที่เห็นในเงาเสลัว อ, อยู่ขนาดนี้เกินความคาดหมายทให้ทุกคนแทบหัวใจวายดับ เหมือนมองเห็นรัการมายืนัำงงานอยู่ตรงหน้าถ้าไม่เคลื่อนไหวถ้าไม่ส่งเสียงคำรามสีอย่างเดียวมันก็คือเขาลูหนึ่งโมพุทธาจะช่ยันริมฝีปากขมุบขมิบเสียงสวดมนต์ของเขาติดอยู่เพียงแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเรียวแรงแทบจะไม่เหลือพอให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวใดใดไ ด, ไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ประหนึ่งว่ากลายเป็นเหน็บชาไปหมดทั้งตัว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 ลืมความเจ็บปวดจากขาเพลงในขนาดนี้จนหมดสิน้นมาเรียนหน้าสิตัวสั่นเทอเหมือนจับไข่ไม่เคยมีครั้งใดที่แมมสาวนักพจนภัยจะเสียขวัญต่อเหตุการณ์เท่าครั้งนี้ลนคาดผิดไปทันนัดถึงขนาดสัดส่วนของมันส่วนพรานทั้งนั้นที่แยกย้ายกระจัดกระจายซุ่มตัวกันอยู่ยังมุมต่างๆบบบนี้ก็แทบจะเป็นลมสลบกันไปด้วยความตกใจต่อสิ่งที่เห็น ด่ารินวราริสขณะนี้เบียดกายแทบจะช้ำแร่ตัวให้จมหายก็ไปในก้อนหินที่กำลังตนอยู่ข้างๆหล่อนมีพลานพื้นเมืองสองสามคนในชุดที่วิ่งตะลนเตเข้ามาพร้อมกันแต่จะมีใครอยู่บ้านเดี๋ยวนี้หล่อนจําไม่ได้ซะแล้วภาพกลางการสรับสนโอนลามาของคณะจนล้ำดับภาพเหตุการณ์ไม่ถูกนั้นหล่อนไม่ได้คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากจะเป็นหูเชิดาเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะสํานึกอยู่ตลอดเวลาว่า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 นันนันายหญิงถอยเถอะมันมันมันกำลังจะบุกเข้ามาแล้วหนีเอาตัวรอดก่อนเถอะนายหญิงตหลอนก็ไม่สามารถจะจับกระแสคำพูดนั้นได้สิ่งเดียวที่ระลึกถึงอยู่ในขณะนี้ก็คือพระไตรรัตนะอันเป็นสาระแล้วขนนักจิตต่อมาสภาพอันเหมือนผูกผีอั้มก็ค่อยๆคลี่คลายลงมืออันสั่นเทาค่อยๆตบลูกเลื่อนจุด3า0เวเทอร์บีถอดปลอกกระสุนเก่าออก และบรรจุนัดใหม่ในแมกกาซีนเข้าลำกล้องอย่างแถวเบาเราวกับว่าพลนเคลื่อนไหวแรงหรือทำอะไรให้บังเกิดเสียงกระโตกกระตากออกไป เ, <อ>เสียงนั้นจะแว้วไปถึงหูของไอ้มหาอสูรซึ่งยืนจังก้าสงบนิ่งกว่าตามองหาเหยอื่อยู่ชั้นนั้นพรามพื้นเมืองที่ยืนเบียดอยู่ทางเบื้องหลังเอื้อมฝ่ามืออันเย็นเฉียบมาจับต้นแขนหล่อนไวออกแรงเหนียวเหมือนจะเตือนให้ล่าถอยเพื่อแสวงหาที่หลบซ่อนต่อไป แต่ราชสกุลสาวปัดมือนั้นออกโดยไม่ได้หันไปดูจังหวะของมืออันสั่นเทาที่ยกไรเฟิลขึ้นประทับไหลนี้ดูจะเป็นระยะเวลาที่เชื่องช้าเนิ่นนานซะเหลือเกินสำหรับความรู้สึกของหล่อนสมองสั่งการอย่างหนึ่งแต่ร่างกายมันช้ำอืดอาสนิกอะไรราวกับมีอะไรมาถ่วงยึดไว้ทางด้านระพินกับเงาทราย ซึ่งแหลนตะเิดหัวสุนเข้ามาหมอบอยู่เคียงกันเหนือขึ้นไปกว่าตำแหน่งซุ่มตัวของดารินทางสีขวามือเจ้าคนดงใจเดดค่อยๆ hotter, อยล่อหัวของมันออกไปดูแลกระซิรรบกระซ่าแอวเบาที่สุดผู้ ก, กองจ่องมาดูให้ชัดนี่ครานใหญ่ย่องตามเข้ามายัางมุมกำบังเดียวกันนั้นท่ามกลางความเงียบสนัดขนาดเข็มตกได้ยินซึ่งเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งใจเหลือกาลังแงซาย มันเอาเราแน่ผู้กองเรามาเสี่ยงชีวิตร่วมกันผมจะวิ่งไปเอาธนูที่ตกอยู่นั่นมาให้ได้ผู้กองคอยวิ่งล่อมันไว้ตายอยู่ในมือผู้กองไม่ใช่เหรอครับยังอยู่ฉันล่อมันได้แง่ทราย้วมั่นใจว่าเอาตัวรอดได้แต่แกน่ะมันเสี่ยงมากนะแล้วถ้ามันปลากความสนใจจากฉันหันไปเล่นงานแกฉันช่วยอะไรแกไม่ได้นะเราต้องเสี่ยงครับขืนช้าเราตายกันหมดแน่มันกําลังมองหาพวกเราอยู่ และกาลังตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึง่งแต่จมูกของมันไม่ดีครับสิ่งที่จอมพรานคเนว้ยแต่แรกถูกต้องหมดทุกอย่างเกี่ยวกับธรรมชาตินิสัยของเจ้าสัตว์ยักษ์ต้นระกูลตะกตูดระบบคานปราศของมันใช้การไม่ได้เอาเลยจักษุภาพก็คงไม่ดีนะักและความใหญ่โตมโหฬารก็เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งสาหรับการเคลื่อนไหวได้อย่างว่องไวปับนี้มันยืนจังกา้า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 ชนิดตัดสินใจยังบอกไม่ถูกยกเว้นดารินเพียงคนเดียวที่บัดนี้ประทับปืนเลง็งด้วยหัวใจอันฮึดสู้จนวินาทีสุดท้ายแต่ลอนก็เสียเวลาไปกับการลังเลใจในข้อนี้ไม่ทราบ <c oughs> จะส่งกระสุนเข้าไปยังเต้าไม้แห่งใดดีจากํำตัวประดุดขุนเขานั้นครั้งแรกลอนบายสูนไปกลางอกของมันเทราว่ามันก็กว้างใหญ่มาโหรามที่จนไม่รู้ว่าจะจี้กระสุนเข้าไปที่ตำแหน่งไหนดี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 ในความมืดสลัวอันแลทุกส่วนเป็นเงาดำอยู่ในยามนี้เห็นแต่สวดทรงสันฐานเป็นรูปร่างๆราวกับจะเกิดขึ้นด้วยภาพมายาลวงตาฉะนั้นราชสกุลสาวผู้มีเลือดผจญไปอันเข้มข้นเล็งแล้วเล็งอีกยังตกลงใจไม่ได้ทั้งๆั้งที่นิ้วแตะรอพร้อมอยู่ที่ไกลปืนลมหายใจของหล่อนดูเหมือนจะพลอยหยุดไปด้วยในวินาทีที่คล้ายถูกกดจมดิง่งลงไปสู่นรกนี้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 เขาก็ถูกบังคับทางอ้อมให้ต้องตัดสินใจตกบันไดพลอยโจรไปซะแล้วกับความกล้าหาญขีดสุดของแง่ทรายเพื่อการเคลื่อนไหวตัวเองให้เข้าคล่องขึ้นและเพื่อเป็นหลักประกันว่ากระบอกสรจะไม่พลัดหล่นจากตัวไปอีกแล้วออกทลาปลปราดจากที่ซ่อนวิ่งตรงดึงผ่านหน้าลานโล่งแคบๆตรงไปยังเนินหินลูกเบื้องหน้าอันจําได้ว่าคันธนูของตนตกอยู่ที่นั่นเฮ้ยแง่ทรายกลับมาท่านใหญ่ตระกูลห้ามเสียงหลง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 ในขณะที่แงซายแล่นปานล้มพัดเข้ามาหยุดดูท่าทีใต้เงาท้องอันใหญ่กว้างมา่คือมานั้นการเคลื่อนไหวของมันทำให้หางเริ่มกวัดแว่งแล้วสับประสันเนียงเสียงก้อนหินที่ถูกหางกวาดกระทบก็คลืมนครองเป็นแผ่นดินไหวอีกวาระหนึ่งก่อนที่มันจะก้มลงชะโงกหัวควานหางแงซายได้ชัดรพินก็ปราดออกไปทางด้านหน้าแว่งใต้ในมือล่อสว่างวุ้กมันเปลี่ยนความสนใจทันที เพระจุดของแสงนั้นแยกเขี้ยวหันเข้าใส่เข า, าพ่าหินสะดุดหินล้มก้นกระแทกแล้วก็ถดถอยเลนลานหนีไปาหาซอกหินในระหว่างที่แฮร์รวิ่งปลาออกจากใต้วางขาคร่องของมันตรงมาที่เขาไม่ต้องห่วงฉันจะวิ่งหน้าว้วิ่งไปแกะทะนู่เขาร้องสั่งเสียงแหบแห้งแต่เบนแข็งกับเสียงขู่คำรามที่กลบเสียงอื่นๆของมันหมดสิแฮร์รี่พะว้าพะวางังแล้วเล่นออกทางด้านขวาของมัน ไอ้ยักษ์ยิ้มโหามาเล่นเอาเธอเจ้าล่อกับระพินอีกครั้งโดยมีใต้ติดไฟเป็นเครื่องกีบขวางมันไว้ไม่ให้กล้าห้าปากงัดถึงตัวนอกจากจะคูดํารามอยู่เช่นนั้นแต่แล้วก็เลียกชำเลืองไปเห็นแง่ทรายผู้กําลังจะหาทางผ่านมันออกไปจึทงทําท่าจะละความสนใจกับครานใหญ่กระพินก็เอาใต้ซ่อนหลังไว้พุดธยกขึ้นวิ่งวนแผลดเสียง ล, ล่อเพื่อมันแว้งมาที่เขาอีกดับบอกชุลมุนกันอยู่เช่นนั้นปากเขาก็ตะโกนร้องเร่งแง่ทราย ให้ข้าไปค้นหาธนูซะโดโเรก่อนที่มันจะหมุนตัวอรารวาสได้ถนัดขึ้นกําลังใจเริ่มดีขึ้นเมื่อมองเห็นสภาพอันเชื่องช้าอึดอาดของมันแต่มันคงต้อทุกสายตาความรู้สึกที่แลเห็นเหตุหการณ์ผาดผ่าดเดอะไรไม่ถูกอยู่ในขณะ น, นี้เพราะมันเป็นภาพที่วาเสียวเหลือประมาณเมื่อต่างสํานึกได้ว่าทั้งรัพินและแงซายตกอยู่ในขีดอันตรายจนเจียนที่สุดโดยที่ไม่มีใครเข้าใจเหตุผลข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ทำนองนะและอะไรเป็นจุดประสงค์ของบุคคลทั้งสองนอกจากจะคิดว่ามันหลีบลงมาเห็นที่ซ่อนตัวของคนคู่นั้นแล้วเริ่มรุกไล่ดังนั้นกระสุนจุดสามเวเทอร์แม็กของดารินที่เราจังหวะมานานเราไม่แน่ใจว่าจะลั่นเข้าไปส่วนไหนดีเจ้าของจึงกราดิกนิ้วปล่อยองไปด้วยควารู้เท่าไม่ถึงการเพื่อหวังช่วยคนที่ตกอยู่ในอันตรายลูกปืนระบบิดกึกก้องราวกูขึ้นอีกครั้ง ภา้หลังจากสงบนิ่งไประยะหนึ่งเล่นเข้ากระทบเป้าหมายชนได้ส่วนหนึ่งบนศีสากของมันที่กําลังไล่งับระพินอยู่แต่มันผิดเป้าหมายเจตนาตามแผนการที่ต้การไปหมดสิ้นก็มีความหวังอยู่แล้วว่าระหว่างที่ตนเองทําหน้าที่หลอกล่อเพื่อแง่ทรายวิ่งไปค้นหาธนูนั้นกําลังจะใกล้ผลเข้ามาแล้วแต่แล้วกระสุนไรเฟิลนัดนั้นของดารินนั่นเองที่ผันแปรสถานการณ์และความหวังทั้งมวลให้หมดสิ้นไปในฉับพลัน อัน ท, ที่ถูกเห็นด้วยลูก ป, ปืนตรงบริเวณขอบคิ้วอันตั้งเป็นสันอายักษ์เก็บปูดและทวีโท้อสะขีดสุดมันเปล่งเสียงคำรามก้องจนระพินและงซายผู้ใกล้เคียงกับบริเวณมากที่สุดสตัดไปเพื่อการภาพเล่า เ, เสียงแล้วก็ละอางหัวใจจากาบนทั้งหมดเป็นสภาพของมันอายักษ์เดินและลมไปมัดปาดหมู่้อหงหินสิงกีดหน้าขวางตาหักถล่มคลื่นครื ราวกับเครื่องบินไอพ่นพุ่งเข้าชนบุกตะลุยรติดกับยานต่างๆเสียงดัโดยเร็วสภาพตกบันไดพลอยโจนก็เกิดขึ้นทํารบสองโดยฝ่ายของเชียฐ์ทาและพวกพรานพื้นเมืองอื่นๆปืนทุกกระบอกสัดกระดังขึ้นพร้อมกันจากทิศทางต่างๆไม่ยิงก็อยู่ไม่ไหวแล้วในภาวะเช่นนี้ภาวะที่มันบุกตะลุยเข้ารุบไล่ลกระก้อนหินหักล้มระเนรระนาด ก, กล่เข้ามาเช่นนี้ คนอยู่ในสภาพยิงพลางถอยปลางทากันแตกกระเจิดกระเจิง เ, เอตัวรอดเป็นอิสระไปตามตาหินอันขึ้นอยู่สลับซับซ้อนนั้นตามแผนซึ่งกําหนดกลับเตรียมกันไว้ก่อนแล้วปัญหามีอยู่อย่างเดียวคือพยายามหลบให้พ้นจากสายตาของมันที่จะแลมาเห็นและหลบไม่ให้ถูกก้อนหินที่มันเดินเข้ามาชนหรือตะกุยหรือคนร่วงหลน่นหรือเคลื่อนเข้าทับไม่มีใครสามารถที่จะยืนปักหลักประจันหน้าอยู่ได้ เทียบไม่ผิดอะไรกับกองทหารที่ถูกฆ่าซึกตีแตกผ้ารุกไล่กระนำเข้ามาเป็นลำดับชัยยันไม่ทิ้งเพื่อนของเขาและขยิมก็มีน้ำใจดีแท้พิสูจน์เห็นกันได้ในภาวะเช่นนี้แหละทั้งสองช่วยกันหิ้วปีเชทิทขาท่านหัวหน้าคณะออกตะกายแล่นหนีซอกซอนไปตามแนวป่าหินเหล่านั้นในขณะที่มาเรียนและบุญคำทำหน้าที่เป็นกองระวังหลัง ยิงเข้าใส่ไอ้ยักษ์เป็นการนวงเหนียวว่าอย่างเหนียวแน่นและด้วยสัญชาตญาณสู้สุดใจขาดดิบหลายต่อหลายครั้งที่แมมสาวเกิดความบ้าเลือดขึ้นมาไอาย้ยากจะรอจังหวะให้ได้เป้าหมายถนัดที่สุดในการในระยะกระชั้นชิดเพื่อที่จะพุ่งกระสุนให้ลงเป้าหมายดวงตาของมันแต่ตาเท่าบุญคําำคอยฉุดกระชากเตือนให้ถอยหนีอยู่ตลอดเวลาเพราะความเป็นห่วงวันนี้ใสัยอันรอบคอบของแก ทางด้านดารินผู้เป็นต้นเหตุยิงกระสุนนักวิป ฤ, ฤิตนั้นขึ้นเป็นคนแรกสื่อกระสางปากระโจนแยกไปคนละทางแล้วด้วยสัญชาตญาณคงเหลือแต่จันทกระเกิดผู้ถึงจะฝันหนีดีกว่าสักเพียงใดก็ไม่เคยลืมนายหญิงฟังช่วยกันฉุดลากดารินออกมาจากที่มั่นเดิมก่อนที่ก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งจะล้มคลืนลงมาทับบริเวณ น, นั้นเพราะพลังผลักดันมหาสาลของเจ้าไดโนเสาร์เสียงร้องบอกความเสียงอุทานเสียงตะโกนประสานกันแท้ฟังไม่ได้สับ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 นให้ลมลุกคุกคลานไปตามทิศทางเพื่อจะเอาตัวหนีภัยซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะไอ้ยักษ์มูเป้าหมายที่กระสุนของดารินระเบิดมาสร้างความเจ็บปวดครั้งหลังสุดให้มันเพราะฉะนั้นด้านของดารินนั่นเองที่มันตลุยบุกระนำเข้ามาอย่างไม่ลดละทั้งผลักหรือตะกุยตะกายก้อ น, อนทั้งแผลดําปันหนา้าเสียงคูตะคอกระดุดพระการทวงถามชีวิต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 สีสะปกักลงไปยังพื้นเบื้องล่างตายติดไฟจิ้มลงกลางดินไฟดับในทันทีในยามนั้นอากาศรอบด้านก็มืดสนิทลงแล้วแทบจะมองอะไรไม่ได้เกินกว่าระยะห่างแค่สองสาก้าวเห็นแต่เงาของภูเขาเคลื่อนที่ยำตะลุยคลื่นคลื่มผ่านไปทางด้านซ้ายมือของเขาราวกับพายุสลาตันเขาตะโกนเรียกเงายายเท่าที่มีเสียงจะแผตะเบงออกไปได้สองสามครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงตอบ ตัวเองนอนตะแคงอยู่กับพื้นมือนึงตะครุบไรเฟิลประจำตัวไว้มันอีกมือหนึ่งตะปบไว้ที่กระบอกสอนติดระเบิดเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไปตัวเขาอยู่เช่นนั้นไม่หลุดกระเด็นหล่นหายไปเสียทีใดบางสิ่งบางอย่างเตือนเข้ามาสู่สังหรณ์ของเขาว่าเห็นจะรอคอยแง่ทา ย, ายเพื่อความหวังในด้านธนูต่อไปอีกไม่ได้แล้วเมื่อหูเว้าเสียงร้องโวยวายอย่างถนัดจากคนของเขาและมีเสียงเอ่ยเรียกว่านายหญิง จากนั้นก็คับคายครับคลาว่ามีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงจะเป็นมาเรียหรือหม่อมราชวงศ์หญิงดารินก็สุดที่จะรู้ได้ในภาวะเช่นนี้รพินเพนขึ้นยืนไม่สนใจกับการหลอกล่อมันด้วยใต้ติดไปอีกต่อไปหากแต่ประเเสก็ะสุนจุด4ห้าต่อเขายังศีรษะเบื้องหลังทางต้นคอของมันในระหว่างที่ไอ้ยักษ์เหยียบ ต, ตะลุยไปทางด้านที่เขาได้ยินเสียงสับสุดอมนั้น ดูเหมือนจะจับเข้าระดับโกขูของมันเจ้ายัดไทรันเสภาวาเสียจังหวะไปนิดนึงตะแคงเอียงเท่ไปคล่มทับยอดขินเตีเตี้ยหักพินาศแล้วมันก็เลิกพะวงกับเป้าหมายติดพันลงชั่วขณะเอี้ยวคอปรักมามองจอมพรานออกวิ่งเต็มฝีเท้าตัดเข้าหาโคนหางทางด้านหลังก่อนที่รัศมีส่วนปลายหางของมันจะม้วนประหวัดฟาดอย่างเกลียวแกรดแล้วก็ยัดโครงข้าอีกนับหนึ่งชนิดยี่ยิงเผาขนไปที่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 โดยเฉียดเบื้องหลังไปอย่างจวนเกียนพร้อมกับเสียงดังควับนั่นคือบานพับมหิมาของปากอันประดับด้วยฟันที่ฉกงับลงมาถ้ามันต่ำกว่านั้นเพียงแค่ศอกเดียวเท่านั้นเขาคงจะขาดครึ่งท่อนภายในพริบตาช่วงคอของมันสั้นไปหน่อยและมียอดหินค้ำอกยันอยู่ทำให้ก้มต่ำลงมาไม่ถนัดนายทางนี้เร็วมีเสียงร้องตะโกนมาจากเงาว อ, อกแว ที่เห็นวิ่งกันอย่างกระเจิดกระเจิงตามแนวซอกขินอุ้คดเคี้ยวนั้นพรานใหญ่กัดฟันรวบรวมกําลังต่อสู้กับอำนาจฟั น, นเน็ดเหนือแทบขาดใจในขณะนี้กัวตามไปโดยเร็วเขาคิดว่าถ้ามันพเพิ่มตัวขึ้นมาได้ในช่วงพริบตานี้วาระสุดท้ายของตัวเองก็คงจะมาถึงก่อนคนอื่นเพราะอยู่ในทิศทางที่มันจะต้องมองเห็นอย่างชัดเจนที่สุดและอยู่ภายใต้จมูกของมันนั่นเองถ้าไม่ใช่พระสวรรค์ยังไม่ทอดทิง้ง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 ผมได้ยินแต่เสียงสำลักที่แทบจะไม่เป็นภาษาคนเท่านั้นเร็วนายเล่นต่อเถอะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทางมันล่องข้างหน้าเป็นทางด่านแคบเฉพาะตัวพอจะอาศัยหลบได้กิดนนายหญิงนายชายและทุกคนอยู่ไหนเขาถามอย่างยากเย็นหอบจนตาเหลือกหายใจไม่ทันไม่รู้นายกระจายแยก็ไปคนละทางหมดแต่นายหญิงล่วงหน้าไปทางนี้ก่อนแล้วจันทร์พาหนีไปเกิดคอยรับนายพเห็นวิ่งตามมา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 แต่เกียกตะกายสมสารห น, นีไปตามแนวซ่อโคตหินของเขายามนี้เหมือนวิ่งอยู่ในขวัญรรยยามเมื่อพิษไข้ทวีขึ้นสูงสำเนียงต่างๆที่โวกแววมากระทบหูฟังพร่าเลือนเหมือนลอยมาแต่ไกลจำแนกไม่ถูกว่าเป็นเสียงอะไรบ้างเสียงคนตะโกนร้องเสียงขู่คำรามและหินหักเคลื่อนโครงครามประสาททุกส่วนชาดิไปหมดรู้สึกว่าตนเองสะดุดล้มลุกคลุกคลานค ร, ลครั้งแล้วครั้งล่า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 แล้วสติสัมปชัญญะทั้งมวลก็วูบจับเหมือนภาพยนตร์ขาดลงอย่างกระทันหันปล่อยให้จอดำไม่เห็นไม่ได้ยินไม่สัมผัสกับความรู้สึกใดๆอีกทั้งสิ้น